ยังอยู่แล้วควรทําอะไรดีหัวข้อรู้กายตอนรู้ลมหายใจพุทธพจน์ 1. มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า 2. เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 3. เมื่อหายใจออกสั้นก well ็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นสสำเนีกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจออก 5. าสำเนีกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้า 6. สำมเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออก 7. สำมเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าข้อความจากมหาสติปฐานสูตรกายานุปัสนาอาณาปณ ะ, ะบัพภ์ลงมือปฏิบัติสำหรับมือใหม่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 ถ้างุ้มหรือเกรงอยู่ก็คลายออกเสียวางเท้าแบราบกับพื้นอย่างสบายพอฝ่าเท้าสบายพื้นจิตพื้นใจก็ปลอยสบายตามก่อนหน้าถ้าฟุ้งมากก็จะฟุ้งน้อยลงหรือถ้าเครียดมากก็เห็นว่าเครียดน้อยลงด้วยจากนั้นจึงสํารวจว่าฝ่ามือผ่อนคลายหรือกำอยู่